ข้อที่54่พึงทราบวินิจฉัยในคถาที่6ตั้งต่อไปนี้บทว่าสาตะตังความว่าจำรงอยู่เป็นสุขตลอดการหนึ่งนิดหรือเป็นสุขสิ้นกาลนานบทว่าโวแปลว่าของท่านทั้งหลายบทว่าปริยาเยนนะคือโดยเหตุบทว่าสัพพทุขาเป็นต้น ความว่าจะมีคุณอนประเสริฐอย่างเดียวหาไม่ได้อนหนึ่งบุคคลมิใช่จะได้ปัญญาไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางสัตว์ผู้เศร้าโศกรุ่งเรืองในท่ามกลางญาติบังเกิดในสุขติดดำรงอยู่เป็นสุขตลอดกาลนานอย่างเดียวตัวที่แท้แลย่อมหลุดพ้นแม้จากทุก์ในวัฏฏะทั้งสิน้นเรื่องพาณิชย์ทางทะเล มาในอัธกถาเทวตาสังยุตจุประโยคบัณฑิต ท, ทั้งหลายยอมไม่ยังตนและพวกชนผู้ทรมวงได้เปิดตามองลด้ปิดคำของตนให้ชิบหายด้วยประการชนีแล